นหนังสือเกไปเฉยๆนไม่ต้องไปบุนะ่นวนะในพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนอยู่มากมายทีเดียวนะถึง8ป0 0มพันธรรมขันนะเป็นพระไตรปิฎกก็มีถึงมากมายนะ้าเล่มหรือ90กว่าเล่มนะ คันนี้มีมากมายขนาดนั้นเนี่ยเราจะไปจับประเด็นสาระสำคัญได้อย่างไรนะการจับประเด็นสาระสำคัญแล้วถ้าถูกหลักแล้วเนี่ยจะทำให้เราศึกษาได้ง่ายขึ้นนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะมีหลักอยู่แค่สองหลักเท่านั้นเองก็คือให้เห็นความทุกข์ประการแรกก็คือเห็นความทุกข์่ละประการที่สองก็ให้ ไปบัตเพื่อออกจากความทุกนี้เท่านั้นเองนะมี2 อ, อย่างคือให้เห็นทุกนะแล้วก็ไปบัตรเพื่อความดับทุกเท่านี้เองนะไม่ได้มีเยอะไปกว่านี้เลยนะครั้นี้ที่เห็นความทุกนะก็คือหมายความว่าเราจะต้องเห็นความทุกนะแล้วก็สาเหตุแห่งความเกิดทุกนั่นเองนะสาเหตุแห่งความเกิดทุกนะก็เรียกว่าสมุกไทยนะก็คือ อวิชชาคือความไม่รู้นะตัณหาคือความทยานอยากแล้วก็อุปทานคือความยึดติดนะอันนี้คือสาเหตุแห่งความทุกขนะ์แล้วมันก็จะนำทุกข์มาให้เรานะมีความทุกข์กายทุกข์ใจต่างๆนะทุกข์กายก็คือนะความแก่ความเจ็บความตายนะความที่เราได้ประสบสิ่งต่างๆที่จอรมาเนชะ่นความปวดเมื่อย ความหิวความง่วงนะต่างๆเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ประจํากายของเรานะความทุกข์ทางใจนะก็ความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ทั้งหลายทั้งหลายแหลเลยนะแล้วก็พัดพาจากสิ่งที่เราลักนะประสบสิ่งที่เราไม่ลักนะพวกนี้คือความทุกข์ทางใจหมดเลยนะนะีคือความทุกข์แล้วก็สาเหตุแห่งความเกิดทุกข์กแล้วก็อีกข้อทหนึ่งก็คือ เมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะดับทุกข์แต่อย่างไรนะก็คือการดับทุกข์นี่นะขนทางการดับทุกข์นะก็มีมรรคมีองค์แที่เมื่อกี้เราสวดไปแล้วนั่นแหละนะแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดแล้วก็จะไปถึงความพ้นทุกข์นะหรือที่เรียกว่านิโรธหรือพระนิพพานนั่นเองนะก็แยกเป็น2ประเด็นอย่างนี้ก็คือทุกข์นะแล้วก็การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ในะเป็นประเด็นสําคัญใน พระพุสธน า, าของเรานะจริ ง, ร ง, รงๆก็ไม่มีอะไรอื่นไป ม, มากกว่านี้หรอกนะเพราะนั้นประเด็นแรกนี้เราจึงต้องเห็นทุกก่อนนะถ้าเราเห็นทุกก่อนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนะ <S <S ก็เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์นั่นเองนะแล้วการปฏิบัติธรรมนี่เราก็ต้องปฏิบัติตามหลักของมรรคมงแปดนะมรรคมงแปดที่เมื่อกี้ที่เราสวดไปนะก็มีสัมมาทิฏฐินะก็คือต้องมีความเห็นชอบนะ สัมมาสังกัปโปมีความดำริชอบหรือมีความคิดที่ถูกต้องนะสัมมาวาจาการใช้คําพูดที่ถู ก, ถกตามศีลตามหลักธรรมนะสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโบอาชีพชอบสัมมาวายามโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธินะ ความที่จิตตั้งมั่นชอบนีในมรรค8เนี่ยก็คือหนทางที่ไปปัดเพื่อความดับทุกข์นะและเมื่อเราสรุปให้ง่ายๆว่ามรรคเปียงสรุปได้อย่างไรก็สรุปได้เป็นศีลสมาธิปัญญานะศีลก็มีนะสัมมากรมันโตสัมมาอาชีโบสัมมาวาจาโมนะนีก็คือนการงานชอบอาชีพชอบและมีวาจาชอบนั่นเองนะ สัมมาสตินะสัมมาสติก็คือความรู้ชอบนั่นเองนะสัมมาสมาธินะก็มีสัมมาสมาธิเนี่ยเราก็จิตตั้งมั่นชอบนะก็คือศีลสมาธิปัญญานะปัญญานั่นก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนะสัมมาทิฐิแล้วก็สัมมาสัพพโปนะก็คือสัมมาสมาธินะเพราะนั้นมันก็คือศีลสมาธิปัญญานะ อันนี้ก็คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นเองถ้าเราปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะค้นทุกข์แต่ถ้าไม่ปฏิบัติทางเนี่ยมันก็จะผิดทางแน่นอนนะหนทางความทุกข์เนี่ยมีอยู่เพียงแต่เราจะเดินตามทางนี้หรือไม่นะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงอบอกทางนี้ให้เรามาเมื่อ2องพันกว่าปีแล้วนะ แต่คนคนที่ยังไม่เดินตามทางเนี่ยมีมากมายจึงเป็นที่น่าเสียดายนะพุทธเจ้าในใช้เวลาสร้างบารมีถึงเสียสงไข่กับแสนมหากับนะซึ่งยาวนานมากนะเพื่อที่จะมาตารัสรู้่เป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยแล้วก็นําธรรมะมาสอนให้กับพวกเรานะการที่ท่านใช้เวลาอสร้างบารมียาวนานขนาดนั้นนะมาที่จะนําธรรมะมาสู่พวกเราครั้งนี้นะ คนเราที่จะบรรับธรรมะของท่านเนี่ยมีประมาณตักเท่าไหร่นะอย่างชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะจริงนะแต่ก็เข้าไปได้แค่เปลือกนะเข้าถึงตัวการปฏิบัติธรรมเจริงๆมีน้อยมากนะหนทางความพ้นทุกเนี่ยมีน้อยนะสมมาก็จะมุ่งไปทางาทานทางศีลมากกว่านั้นก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกจริงจริงนะอันนั้นเป็นเพียงหนทางทางหนึ่งที่จะทาให้เราเนี่ยมีความสุขเท่านั้นเองนะ แต่ผนทางจริงๆนะก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้ น, น, นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้เวลาสร้างบา ร, ร, รมีมานานขนาดนั้นนะก็คือท่านชี้ทางพ้นทุกข์ให้กับเรานะอยู่ที่ว่าเราจะไปฏิบัติตามหรือไม่นะถ้าเราปฏิบัติตามผลทางที่ท่านชี้ไว้แล้วเนะี่ยก็พ้นทุกข์แน่นอนแต่เราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่พ้นทุกนะข์นะคราวนี้นะด้วยลักษณะของศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะศีล ศีลนี่เราก็ต้องมีนะศีลห้าศีลแน 8, นะีแต่เป็นเราเป็นฆราวาสเนี่ยเราศีล5ก็พอแล้วนะสมาธินะสธีสมาธิก็เป็นหนทางหนทางหนึ่งที่เราสามารถปฏิบัติเพื่อความค้นทุกข์ได้นะสมาธิกเรียกว่าเป็นอุบายให้จิตตั้งมัน่นนั่นเองนะเมื่อจิตตั้งมัน่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูดูถึงความที่ตั้งมัน่นนั้นว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมนะเห็นสภาวะที่มันเกิดความดับ ของความตั้งมั่นนั้นนะว่าเป็นอย่างไรนะมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นถึงสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขนะตาคือความที่มันไม่เที่ยงของความตั้งมั่นนั่นเองนะแล้วก็เข้ามาสู่ปัญญานะปัญญานี่ก็คือการที่เห็นสภาวะธรรมของอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงความทุกขขังก็คือความทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะ นักตาก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราบังคับบัญชาไม่ ไ, มได้นี่แหละอันนี้คือขนทางที่เราจะไปเพื่อความพ้นทุกนะครา้ น, ะานี้นะเราเราจะเดินทางอย่างไรนะสู่ความพ้นทุกนะอภรรการแรกเนะี่ยเราเราทุกคนมีสีอยู่แล้วนะมีสีรักษาสีให้ได้มันจะเป็นการปิดประตูอาบายภูมินะถ้าเรานะเราทาบุญไปต้องเยอะแยะนะ แต่ถ้าเราไม่มีสีเนี่ยเราก็ปิดประตูเอาใบพุ่มไม่ได้นะมันก็ต้องอไปลงใบพุ่มก่อนนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราสามารถรักษาศีล5้าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานที่เราจะทําให้เราเกิดสมาธิเกิดปัญญาต่อมานะเราก็ต้องมีศีห้าให้ได้ก่อนนะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความโปกติของคนเรานะต้องรักษาตัวนี้ให้ได้นะ คันนี้สมาธิเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะสมาธิก็มีสาระดับนะก็คือคณิกะสมาธิก็คือสมาธิชั่วคราวนะหรือสมาธิที่เป็นครั้งเป็นคราวนะเป็นสมาธิที่มันไม่ได้ลึกมากนะมันก็ให้เราปฏิบัติรำนะเราก็เกิดสมาธิตัวนี้ได้ก็คือสมาธิคณิกะสมาธินั่นเองนะเป็นสมาธิที่เราทำให้จิตตั้งมั่นนะซึ่งสมาธิเพียงแค่คณิกะสมาธิเนี่ย พระองค์กระทรงตรัดว่าสามารถทําให้เราถึงวิริพภาพนได้แล้วนะแค่คณิกะสมาธิเท่านั้นนะแล้วก็มีอุปจารสมาธิคือสมาธิในระดับกลางนะจิตก็ตั้งมั่นในระดับกลางมีความสงบในระดับกลางนะแล้วก็จนถึงอัปนาสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นระดับสูงเนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งสามารถที่จะจิตไม่ไม่มีการฟุ้งซ่านนะ สามารถที่จะเข้าไปสู่ความสงบที่ลึกๆได้นะเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธินะเป็นสมาธิระดับสูงเลยนะคร น, นีร้ระดับของสมาธิเนี่ยในสมัยพุทธกาลผู้ที่เข้าถึงสมาธิเนี่ยได้เยอะมากนะเป็นยุคที่ผู้ที่ทำนานสมาธิกันเยอะแม้แต่พระเจ้าเนี่ยสมัยที่ท่านยังสแสวงหาหนทางใหม่ๆ ให้เขามาศึกษาในแนวทางนี้มาก่อนนะปเป็นลูกศิษย์ของอาราดาบทและอุทกาดาบทเนี่ยได้ระดับถึงฌานเจฌานแแล้วเนขนาดาบรรลุถึงระดับนั้นท่านก็ยังเห็นว่าไม่ใช่ผลทางแห่งความพ้นทุกข์เลยนะท่านก็เลยออกมาออกมาสแสวงหาทางใหม่นะครั้นี้การสแสวงหาผลทางของท่านนี่แหละท่านก็ดิ้นรนขวนขวายด้วยตัวเองนะมีการ อดอาหารถึง49วันนะเป็นต้นนะแล้วก็ทรมานตัวเองต่างๆ เ, เพื่อที่จะถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดในวันเพน็ญวันเพ็ญเดือน6นะวันเพ็ญเดือนหนะในคืนนั้นแหละท่านก็ตั้งใจนะอธิษฐานจิตนะว่าคืนนี้เราจะต้องบรรลุธรรมให้ได้นะแม้ว่ารนะ่างกายเราจะเหือดแห้งนะกระดูกหนังเอ็น กระดูกทั้งหลายจะเหือดแห้งไปเราก็จะไม่ลุกขึ้นถ้าไม่มารู้ธรรมนะเพราะฉะนั้นในยามแรกเนี่ยท่านก็เลยได้ปลุกเพนิวาสารุสติยานนะก็คือยานที่สามารถที่จะระลึกนะในชาติเก่าๆชาติก่อนๆว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างนะแล้วในยามที่2ก็ระลึกได้ถึงจุตุป ป, ปาฏิยานนะก็คือยานเป็นเครื่องอยังรูนะ้ในการที่สัตว์ทั้งหลายเนะี่ยมาเกิดด้วยอานาจกรรมอะไรนะ เห็นกรรมที่นำสัตว์ให้มาเกิดนะแล้วก็ในยามที่สาก็ได้ทรงบรรลุถึงนะอัสวกขยายานก็คือยานนะที่เป็นเครื่องนะทำให้กิเลสหมดไปนะโดยในขั้นแรกท่านกนะ็ได้เข้าถึงพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทก่อนนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็มีนะอวิชชาอาวิชชาก็เป็นเหตุปัจจัยนะ ให้เกิดวิญญาณนะวิญญาณนะเป็นปัจจัยให้เกิดนามลูกนะนามลูกนะเป็นปัจจัยให้เกิดสลายัตนะสลายตนะนี่ก็คืออายตนะทั้งหกนั่นเองนะอ่าสลายัตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะก็คือการกระทบนะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานะพอเมื่อกระทบแล้วนะก็เป็นเหตุให้เกิดความยินดีร้ายก็คือเวทนานะเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานะก็คือความทยานอยาก อาตันหาปัจจัยให้เกิดอุปทานเมื่อเกิดความทะยานอยากก็เกิดความคิด <IT> ม <S IS> ั่นถือมั่นอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติก็เมื่ออุปทานมันมีแล้วเนี่ยความเป็นภพชาติก็ต้องมีนะภพชาตินี่ก็มีสองนัยยะนะนัยยะแรกก็คือความทิจิตมีความยึดมั่นอะไรก็เป็นเกิดไป็นภพเป็นชาติในสภาวะนั้นก็คือความไปยึดติดในความมีความเป็นในสภาวะนั้นนั่นเองนะ เรืในย่าท์หนึ่งก็คื อ, อเมื่อจิตยังมีอุปทานอยู่นะนก็มีพบชาติที่ต้องไปเกิดใหม่นะอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเลยว่าคนที่มีกิเลสอยู่แม้แต่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะก็ไปเกิดใหม่นะครั้นิภพนชาตเนี่ยก็เป็นปัใจจัยให้เกิดนะชะลามรณ ะ, ะทุกกระทมนาะสุปายาสาปิตาไม่ยเยอะแยะเลยนะเพราะนั้นเมื่อมีอการเกิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีพบชาติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็มีความแก่ ความเจ็บความตายมีความทุกข์ต่างๆตามมาเยอะแยะเลยนะอันนี้คื อ, อตามไล่มาตามปฏิจจสมประบาทนะครนนั้นเมื่อทรงพิจารณาปฏิจจสมประบาดไปแล้วเนี่ยก็ทรงเข้าใจในหลักของริยรรสัต4ีนะเพราะหลักลิยสัตสีเนี่ยก็คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนะก็คือขนทางความบนทุกนะข์นะก็มาจากหลัก ของปฏิจจสุบบาทนี่แหละเมื่อไล่ไปไล่มาก็จะเข้ามาถึงหลักอริสัตถีนั่นเองนะในคืนนั้นก็สำเร็จเป็นผู้เจ้าเนี่ยนะก็คือคนทางความพ้นทุกเนี่ยแล้วก็ทรงนำธรรมะนำมาสั่งสอนกับพวกเราให้ปฏิบัติตามนะซึ่งต้องใช้เวลาถึง4ี่้าปีนะในการเผยแพร่ธรรมนะจนมาถึงยุคพวกเรานี่แหละเพราะนั้นการที่เราจะขนทางค้นทุก ที่แท้จริงเนี่ยก็คือตามที่เราต้องไปบัตในมัสมีองแนั่นเองก็คือสีนสมาธิปัญญานะครันนี้ที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยอ่าเราก็ฝึกกันนะเพื่อให้เกิดนะความรู้สึกตัวนะครั้นนี้ความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ฝึกกันมาหลายวันแล้วบางคนบอกว่าเออทำไมเรา <c oughs> ปฏิบัติแล้วไม่ค่อยรู้สึกตัวก็มีนะอ่าหรือบางทีมันก็อ่ารู้มั่งไม่รู้มั่ง บางทีบางวันดีบางวันไม่ดีนะฮะ น, นี่คือหลักความจริงนะอย่างวันนี้ก็มีนักปฏิบัติมาถามปฏิบัติแล้วทําไมถึงนะมันไม่ดีนะไม่ดีนะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเออมันก็ไม่เที่ยงนะเราก็ต้องเห็นมันไปแล้วก็ปล่อยวางไปนะให้อยู่ปัจจุบันอยู่เสมอเสมอเนี่ยเราก็จะเข้าใจความจริงของการปฏิบัติธรรมนะให้เห็นให้เห็นถึงความเบริจจังทุกหนาตาคือความไม่เทีย่ยงการปฏิบัติเนะี่ยมันมีอยู่ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะ่ะต้องเห็นในตัวนี้ด้วยนะเมื่อเห็นแล้วเราก็ปล่อยปล่อยวางไปนะเราก็เข้ามาเห็นสภาวะที่มันเกิดมันดับนะของความคิดของสภาวะธรรมทั้งหลายเนะี่ยเห็นเลยนะว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนะนะเดี๋ยวความคิดนี่เกิดแล้วก็ดับความคิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับทั้งหมดนะไม่มีสิ่งใดที่เราจะแบบังคับเัญชามันได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็เข้ามาเห็นอารมณ์นะอารมณ์ทั้งหลายนะความดีความไม่ดีความพอใจอยู่ความไม่พอใจเดี๋ยวเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะในการที่เราเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดแล้วก็ดับไปบ่อยเนี่ยใจมันจะค่อยๆยอมรับความจริงขึ้นมานะก็คือให้ใจมันยอมรับความจริงว่าเออเราบังคับให้มันชามันไม่ได้จริงๆนะนีปัญญามันจะเกิดในจุดนี้นะคราวนีเออ้เราจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะ หลวงปเจียนก็ให้เทคนิคเอาไว้6ข้อนะที่เราจะเข้ามาสู่ตัวการปฏิบัติธรรมให้เกิดความรู้สึกตัวในฐานกายนี่แหล ะ, ะเทคนิคข้อที่หนึ่งก็คื อ, อวางกายคลา ย, ายๆวางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องนะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ทํำมาสบายๆนั่นเองอวางกายให้สบายๆนะวางกายให้สบายๆไม่ไม่เกรงเกินไปนะท่าทางเราก็ไม่เกรงนะ ให้เป็นธรรมชาตินะวางใจกลางๆนะวางใจกลนะางๆนี่เป็นหลักที่สําคัญเลยนะสมากจิตเราจะไม่ค่เป็นกลางหรอกนะพ อ, อะปฏิบัติได้ผลดีแล้วเราก็ดีใจนะปฏิบัติไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจอันนี้เราใจเราไม่เป็นกลางนะเพราะนั้นเราวางใจเป็นกลาง ๆ, ๆนะการที่เราทําทุกอย่างเนี่ยเราประสบอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องวางใจเป็นกลาง ๆ, ๆนะจิตมันก็จะเบาเองนะวางใจกลางๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้อง มีแนวทางที่เราต้องทําให้ได้นะวางใจกลางๆนะก็คือวางใจใสบายๆนั่นเองนะแล้วก็ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วเราก็อย่าไปยึดมันนะมันก็จะเป็นกลางได้เองนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปยึดมันใจก็จะเป็นกลางได้เองนะไม่เพง่งไม่จ้องนะก็คืออย่าไปตั้งใจที่จะไปไ ป, ไปเพง่งนอะ่าไปเพ่งที่จะให้มันรู้สึกตัวให้ชัดๆนะอ่านะหรือบางทีเราอ่า ตั้งใจที่จะเดินช้าๆนะไปเพ่งนะจิตมันจะสงบนะถ้าจิตมันสงบมากเกินไปอางเขาเรียกว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นนะแต่การไปไปเพ่งไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการปวดหัวนะบางคนเริ่มจะมึนหัวปวดหัวสแสดงว่าเราไปเพ่งไปจ้องเอาไว้แล้วนะมันก็ต้องวางใจให้สบายๆนิดนึงนะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงต้องมีเทคนิคเนะทคนิคก็คือ อย่าไปเพ่งไปจ้องมันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้จิตเป็นตั้งมั่นนะจิตเป็นตั้งมั่นเพราะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นสภาวธรรมที่มันเกิดดับหรอกนะแล้วก็ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องทําให้จิตตั้งมั่นแต่มันก็เป็นเทคนิคว่าเราจะทําอย่างไรให้จิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นก็คือเราไม่ไปเพ่งแล้วก็ไม่ไปเผลอด้วยนะถ้าไปเพ่งมันก็ทําให้มันเครียดเกินไปนะ ถ้าเป็นเผลอนะมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเผลอเนี่ยมันก็เรียกว่าเรานะเป็นคนที่จิตใจฟุ้งซ่านนะมันก็เรียกว่าเป็นไหลไหลในในทางที่เนะ็าเรียกว่าไหลไปนในทางที่สบายเกินไปนะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านมากเกินไปนะคิดนู่นคิดนี่อยู่เรื่อยๆนะเพราะนั้นมันก็อยู่กลางๆนะถ้าระวังใจไปกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องจิตจะตั้งมั น, นเองนะถ้าจิตตั้งมันปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติได้ถูกทางนะ มันจะรู้สึกตัวสบายสบายนะเดินก็สบายสบายนะยกมือก็สบายสบายนะมีความคิดปุ๊บก็ดูทันทัน ท, ทีเลยนะว่าตัวนี้ก็จงเราต้องวางใจให้เป็นนะ น, นี่เป็นเทคนิคสําคัญเลยนะเพราะถ้าบางคนปฏิบัติในวิธีการลวงพ่เทียนเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยได้ผลก็เพราะว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นนั่นเองนะมันไม่เป็นเทคนิคอยู่นิดเดียวว่าเออไม่เพง่งแล้วก็ไม่เผลอนั่นเองนะจิตมันจะตั้งมันได้เองนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือให้รู้เฉยเฉยนะรู้เฉยเฉย จริงๆก็คือรูเ้เฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปหารายละเ อ, อียดอะไรกับเข้ามากนะไม่ต้องไปรู้เยอะเกินไปนะอย่างเคลื่อนแต่ละครั้งก็แค่รูเ้เฉยๆก็พอแล้วเดินแต่ละครั้งก็คือแค่เดินเท่านั้นเองนะก็คือรู้แล้วก็ทิ้งนั่นเองรู้แล้วก็ทิงนะ้งไม่ต้องไปหารายละเอียดอะไ ร, รเยอะเกินไปนะเรื่องรู้เฉยๆในจริงๆแล้วเป็นเทคนิคที่ที่ลึกที่ลึกมากเลยนะ มันจะมีหลายขั้นตอนนะขั้นตอนแรกๆก็อย่างนี้รู้เฉยๆก็พอแล้วรูนะ้เฉยๆรู้ซื่อๆนะนะไม่ต้องไปรู้ว่านี่เป็นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายแหลนะ่ไม่ต้องไปรู้ว่านี่เป็นความรู้สึกตัวก็ได้เนะพียงก็รู้เฉยๆว่ามีความรู้สึกเคลื่อนไหวอยู่ก็อพอนะก็คือรู้เฉยๆนะแต่ในขั้นลึกลงไปกว่านั้นก็ก็คือว่าสักแต่ว่านะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน ท่านี้เองนะอันนี้เป็นระดับสูงขึ้นไปอีกนะถ้าผู้ที่บัณฑ์ทำแล้วก็จะเข้าถึงระดับสักตะว่าได้นะผู้ที่ถ้าเข้าถึงสักตะว่าได้เนะี่ยจะเป็นผู้ที่สำเร็จบรุธรรมชั้นสูงใดเร็วนะยกตัวยอย่างอนะท่านพาหิยะเป็นต้นนะท่านพาหิยะเนี่ยเป็นเป็นพ่อค้าทางเรือสำเภานะวันหนึ่งก็เรือล่มนะแล้วก็ขึ้นฝั่งมาก็เสื้อผ้าก็หลุดลุย่ยก็ไปหาใบไม้มานุ่งนะแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้าน อชาวบ้านก็นึกวเป็นพาาระรหันแล้วนะเพราะว่าไม่เอาอะไรเลยนะท่านก็เลยสมอ้างไปว่เป็นพาาระรหันแต่ทั้งรู้ตัวไม่ใช่หรอกนะต่อมาก็ได้ข่าวว่าขณะนี้มีผู้พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนะี่ยพอได้ยินเขาเพราะว่าผู้พุทธเจ้าปุ๊บท่านก็อยู่เฉยไม่ได้ก็รีบเดินทางไปหาผู้พุทธเจ้าทันทีนะเดินทางทั้งวันทนั้งคืนในขณะที่ไปพบผู้พุทธเจ้านั้นผู้พุทธเจ้าก็กำลังบินธบาตอยู่ที่ถนนนะก็ไปกราบทันทีนะ ขอฟังธรรมเดี๋ยวนั้นเลยครูเจ้าบอกสถานที่นี้ไม่ใช่ที่จะแสดงธรรมนะเดี๋ยวกลับที่วัดก่อนก็จะแสดงธรรมให้ฟังนะท่านขอเป็นขั้นที่สองขั้นที่สานะจึงทรงแสดงธรรมให้ฟังสั้นๆนะบอกว่านะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะได้ยินก็สักแต่ได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบนะเมื่อนั้นท่านจะไม่มีในโลก ท, นะนะนะนะทั้งสองนะพอฟังเท่านี้ท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะ แล้วก็ได้เป็นเอตตะคะในการบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือตรงเนี้ยก็คือรู้เฉยนั่นเองนะเห็นสักได้เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้นีก็คือรู้ก็คือรู้เฉยนั่นเองก็สักแต่ว่านีเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติไปเราก็มันจะเข้าสู่ตัวนี้ได้ก็คือสักแต่ว่าอีกหน่อยเราก็เออโกรก็สักแต่ว่าโกรดนะรักก็สักแต่ว่ารักนะเกลียก็สักแต่ว่าเกลียกนะ อะไรเนี่ยมันก็คือสักแต่ว่าเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปปรุงแต่งมันต่อนะแต่มันก็ช่องใช้เวลาพอสมควรที่เราจะสักแต่ว่าได้นะมันก็สักว่าเออเห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็สบายแล้วเนี่ยได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินใครธรมดาเราเราก็เฉยเฉยเราก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อนะมันก็จบกันแค่นั้นนะเนี่ยมันก็ออกจาความทุกข์ได้จริงๆนะคราวนี้เทคนิคข้อที่สนะก็คือนะไม่ห้ามความคิดนะ ในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะเพราะส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยแทบจะร้อยเอร์เซ็เลยก็คือนึกว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องสงบไม่คิดอะไรนะการที่ไม่คิดอะไรมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความคิดอะไรเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากะคิดปุ๊บมันก็รู้ทันแล้วมันก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรายังไม่จิตตั้งมั่นมันก็มีความคิดอยู่เรื่อย ถ้าเราคิดสักสิบครั้งเรารู้ทันสักสิบครั้งโอ้นั่นแหะเป็นสติของเราแล้วนะเพราะเราก็จะรู้รู้ทันความคิดขึนเรื่อยๆเห็นความคิดมันเกิดมันดับนะแต่ถ้ามันไม่คิดมันก็จะไม่เห็นในจุดนี้นะเพราะถ้าบางคนเนี่ยที่มันจะหลงทางตรงนี้กันเยอะเลยนะหลงทางตรงนี้กันเยอะนะยิ่งปฏิบัติแล้วบอกว่าเออเราไม่สงบเลยนะเราก็นึกเราปฏิบัติทําไม่ได้นะแต่จริงๆวิธีการลมบเทเชียนหลุมประเทียนเนี่ยไม่ใช่ คิดก็ไม่เป็นไรคิดเราก็รู้ทันความคิดก็ถือว่าเราใช้ได้แล้วนะเพราะความคิดจิตมันมีหน้าที่คิดส่วนเรามีหน้าที่รู้เท่านั้นเองรู้ว่ามันคิดไปก็ใช้ได้แล้วนะหรือมันจะหยุดหรือไม่หยุดก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เราก็กลับมาที่ฐานกายได้มันก็หยุดเองนะคือเมื่อมีความคิดเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ากับเขาเราแค่เป็นผู้ดูเออคิดจะคิดไปเราก็กลับมาธีการเคลื่อนไหวกลับมาอยู่ปัจจุบันหรือฐานกายครั้งหนึ่งนะความคิดมันก็จะดับไปเอง แต่เราไปให้ค่าไปสนใจกับเขาเขาก็จะคิดเขาไปเรื่อยนะคิดเรื่องนี้เสร็ไปคิดแล้่องนต่อแล้วเราก็รู้ไม่ทันเราก็หลงไปในความคิดนะมันก็จะกลายเป็นนิสัยนะนิสัยก็คือความเคยตัวที่ว่าบางทีเดินไปก็คิดไป น, ะนั่งปฏิบัติไปก็คิดไปเพราะว่าเราเราไม่มีนิสัยที่จะไปรู้เท่าทันเขาแล้วก็ไปให้ค่ากับเขานะเพียงแต่เราไม่ให้ค่าเขาไปหยุดแล้วนะกลับมันทีฐานกายครั้งหนึ่งจะเป็นการแก้นิสัย อในการที่เราจะเดินไปคิดไปนะตัวนี้เขาเรียกว่าเพลินนะเพลินอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติธรรมนะจริงๆแล้วมีอยู่สองประเด็นเท่านั้นเองก็คือประการแรกก็คือไปเพ่งเอาไว้นะอันนี้เป็นอุปสรรคตัวนหนึ่งประการที่สองก็คือไปเพลินเพลินคิดเพลินคิดหรือคิดเพลินตัวนี้เป็นอุปสรรคตัวที่สองคิดเพลินหรือเพลินเนี่ยก็เรียกว่านันทะนะ นั่นท่านะเมื่อเราเพลินไปแล้วเนี่ยมันก็จะหลงหลงเข้าไปในความคิดหลงไปในลมต่างๆนะหลงไปในความชอบความชังนะะเพลินเข้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอุปสรรคตัวที่สองแค่เรารู้ทันความคิดกลับมาปัจจุบันปุ๊บในความเพลินก็จะหยุดไปทันทีนะเราก็จะไม่เพลินเข้าไปนะไม่เข้าไปนั่นที่ราคะทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะออกมาจากอกิเลสตัวที่ลายลายอ่ะ ตัวที่ยับยบักรก็คือนะความเพลินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นความเพลินน bueno ี่จริงๆแล้วเป็นกิเลสตัวใหญ่เลยนะความเพลินถ้าเรารู้เท่าทันความเพลินแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เพลินนะเมื่อไม่เพลินปั๊บเนี่ยก็จะกลับมาที่ปัจจุบันในทุกทุกครั้งจะเห็นสภาพว่าธรรมมันเกิดเกิดดับดับนะเพราะว่าเรารู้ทันความที่เราไปเพลินในความคิดในลมต่างๆนั่นเองนะครั้นี้นะ เทคนิคข้อที่สี่ก็คื อ, อใหอ้รู้ต่อเนื่องบรลุโซ่รู้ต่อเนื่องบรลโ ซ, ลโซ่การที่เรารู้ต่อเนื่องบรรลุโซ่เนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะก็คือปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงจนถึงเข้านอนเลยนะเป็นเป็นการปฏิบัติตลอดเวลานะ ไม่ว่าจะนอกรูปแบบหรือในรูปแบบเนี่ยมันก็ทำได้ตลอดเวลานะถ้าเราสามารถที่จะทําไดนะ้มันก็มีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งว่าในขณะที่เราตื่นนอนเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งลุกขึ้นนะอย่าเพิ่งลุกขึ้นเราต้องรู้สึกตัวก่อนนะแล้วเราค่อยลุกขึ้นเะนี่ยมันก็จะต่อเนื่องได้นะพอเรารู้สึกตัวก่อนถ้าเราฝึกเป็นนิสัยเน 96, ี่ยเรารู Itís, ้สึกตัวก่อนเราลอยเราลอยเราเราค่อยลุกขึ้นเนี่ยมันจะติดมาเองนะมันจะติดมาเลยบางทีมันติดมาทั้งวันนะ เมื่อก่อนน่าเคยพูดไปเนี่ยแล้ก็มีพระองค์หนึ่งก็มามามาบอกว่าเออวันนี้เขาก็ทําตามที่บอกนั่นแหละตอนเช้าตื่นขึ้นมาให้รู้สึกตัวก่อ็เราเคร่อยลุกอ่าเขาก็ทําตามบอกวันนั้นเขารู้สึกตัวได้แทบทั้งวันเลยนะนะมันก็ทําได้ในจุดนี้ก็คือพอเราเริ่มต้นตอนเช้าปั๊บเนี่ยมันจะมันเขาเรียกว่าเราเริ่มต้นถูกทางแล้วเนี่ยมันจะชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยค่อยรู้ตัวไปทั้งวันนะมันจะพัฒนาไป ก็คือรู้ตอนันเปลูกโซ่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่สามารถทําได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นต่อเนื่องได้เองมันไม่ต้องว่าเออเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาพักมันก็ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะมันจต่อเนื่องได้เองนะเพราะว่ามันมันเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อมันรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะดําเนินไปในคนทาของเขามันไม่ใช่ว่าตอนนี้รู้สึกประเดี๋ยวไม่รู้สึกก็ไม่ใช่นะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปได้เอง คั้นี้วิธีการที่จะรู้ตอนนเป็นปลูกโซ่เนี่ยก็เป็นเทคนิคข้อที่5คืออย่าอยู่นิ่งนะอย่าอยู่นิ่งนั่นเองนะเพราะว่าเราต้องอาศัยฐานกายฐานกายมาทําให้เกิดปัจจุบันขึ้นมานะฐานกายมาทําให้เกิดปัจบันก็คือทําให้เกิดตัวรู้ขึ้นมานะมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวฐานกายนั่นเองนะอาศัยฐานกายเนี่ยเคลื่อนไหวเราเดินจงกรมสร้างยิง่งหวะนี้เขาเรียกว่าอยู่ในรูปแบบนะส่วนนอกรูปแบบนี่มีเยอะแยะเลยนะ แกงฟันอาบน้ําล้างหน้าซนะักผ้ากนะวาดบ้านถูบ้านต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เติมเข้าไปนิดนึงถ้ามันไม่รู้สึกตัวเราก็พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนะออบางทีมันหลงไปก็ไม่เป็นไรกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งพอระลึกได้ อ, อกลับมาที่ฐานกายนะกำลังซักผ้าเนะี่ยเดี๋ยวคิดแบบไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมาซักผ้าอยู่ที่ฐานกายกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> โดยวิธีการเนี่ยมันก็จะทําให้จิตเนี่ยไม่ไปไกลเพราะว่าฐานกาย <c oughs> ฐานฐานกายฐานกายเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่จับยาบนะมันสามารถที่จะรู้ได้ง่ายขึ้นฐนะานกายนะี่จริ ง, รงๆแล้วเหมาะสาหรับผู้ที่จิตที่หยาบนะไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ดีแต่ว่าคล้ายๆจิตเรายังหยาบอยู่นะจิตเราหยาบนี่ไม่ไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นคนที่ ไม่มีความสามารถหรือเป็นคนที่มีบา ร, รมีน้อยไม่ใช่แต่ว่าหมายความว่ายุคเราเนี่ยเป็นคนที่จิตหยาบเพราะว่าคนที่จิตละเอียดเนี่ยจะบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลกันเยอะแล้วน ะ, ะผู้ที่จิตละเอียดเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในฐานจิตได้เลยนะอยู่ในฐานจิตได้นะอยู่ในฐานจิตสามารถที่จะดูจิตฝึกจิตนะนั่งสมาธิก็สามารถเข้าฌานได้เร็วน ะ, ะเกิด กิดสภาวะธรรมในจิตได้นะมีจิตสามารถที <bowling critical accessible> ่จะลืมึะลึกได้เร็วนะรู้กับปัจจุบันนะจิตนี่ฝึกให้ดีมันก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาได้หมดเลยนะมันจะไปเห็นสภาวะเกิดดับในจิตเห็นความนิ่งที่มันตั้งอยู่แล้วมันก็เคลื่อนไปตั้งอยู่แล้วเคลื่อนไปความนิ่งในจิตเนี่ยมันเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันเกิดดับแล้วเนี่ยคนที่มีฐานจิตที่ดีๆหรือคนที่มีบารมีเก่าเนี่ยเขาจะเห็นในพวกนี้แต่คนที่มีบารมีเช่นนี้มีน้อยนะ ยิ่งในยุคเรายุคเราก็คือยุคคนที่ทํางานนะคนที่ทํางานนะแล้วเราก็อยู่กับทา ง, ทางโลกนะทำงานในทางโลกนะเกี่ยวข้องกับคนเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยจึงหยาบนะเราจิตเราเนี่ยหยาบนะวันวันึงเราพูดต้องเยอะแยะเนี่ยจิตมันก็หยาบแล้วเพราะว่าเหมือนตะกอนนะตะกอนมันน้ำในขวดมันขย่าทั้งวันมันก็ตะกอนมันเยอะ กว่าที่มันจะตกตะกอนมันต้องใช้เวลานานนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝึกสมาธิเนี่ยมันจะใช้เวลานานพอสมควที่จิตมันจะนิ่งนะแล้วมันจะไปเห็นสภาวะเกิดดับของความนิ่งนะมันมันช้านะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานในยุคเรานะคนที่เกี่ยวข้องกันในทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันหยาบนะเพราะว่าตะกอนมันเยอะเนี่ยมันต้องใช้ตัวหยาบหยาบมาช่วยก็คือการเคลื่อนไหวนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นตัวหยาบหยาบเมื่อการเคลื่อนไหวนะเรารู้ปั๊บเนี่ยนะมันจะทําให้เราสามารถที่จะรู้สึกตัวได้นะแล้วมันจะเห็นสภาวะ ที่มันเคลื่อนแล้วก็หยุดคือนแล้วก็หยุดเนี่ยสภาวะเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือให้เห็นความเกิดดับของทางกายนั่นเองนะเราดทาูทางกายเนี่ยให้มันรู้ความหยาบขอ ง, งกายเนี่ยมันก็จะไปรู้ความละเอียดของจิตได้ด้วยนะจิตมันเกิดดับเราจะรู้ทันเนะมื่อเรารู้ความหยาบของกายไปนะเพราะมันจึงเหมาะสาหรับยุค พ, พวกเราที่เราต้องเกี่ยวข้องกับทางโลกเยอะนะเนะี่ยเป็นสิ่งที่เรามาฝึกกัน เพราะนั้นเราก็คืออย่ า, าอยู่นิ่งนั่นเองนะพยายามเคลื่อนไหวเอากายเนี่ยมาเคลื่อนไหวกันนะเ้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออยา ก, ยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะการปฏิบัติธรรมนี่มั น, ม, น ม, มีอะไรบางอย่างที่มันเขาเรียกว่าเราจะไม่ได้ดังใจนะถ้าเรายิ่งอยากได้เนี่ยมันยิ่งไม่ได้เนเราอยากจะได้ผลเร็วมันยิ่งได้ผลช้านะเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เราจะไปหวัง ให้ได้ผลรวเร็วเนี่ยไม่ได้เลยนะมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็ทำใจให้สบายสบายนะยิ่งเราใจสบายมากเนี่ยมันยิ่งได้ได้ผลเร็วนะอย่าไปหวังว่าเราจะต้องได้ผลภายในกี่วันนะหรือว่าจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเราปฏิบัติแบบสบายสบายสบายได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันแต่ถ้าเราอยากจะได้ปั๊บเนี่ยมันจะหนักทันทีนะมันจะหนักนะปฏิบัติแล้วมันจะหนัก แต่เราปฏิบัติสบายๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่หนักนะทําไปเล่นๆทำเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้ผลของมันเองนะทําเล่นๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าไปหวังคนอะไรมันจะได้เองนะเราลองดูนะถ้าเราทําแบบสบายๆเออเดี๋ยวมันก็ได้เองนะแต่เราไปตั้งใจเนี่ยเรามันจะไม่ได้นะเหมือนกับคนที่ฝึกสมาธิเนี่แหละถ้าคนที่เคยฝึกสมาธิแล้วเนี่ยอถ้าตั้งใจว่าจะต้องทําให้ได้เนี่ยหรือตั้งใจจะนั่งหลายๆชั่วโมงเนี่ย บางทีพอนั่งไปแค่ครึ่งชั่วโมงโอ้โหมันทําไมนานขนาดนี้เนาะอเรามันก็ฟุ้งซ่านมากเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่นั่งสมาธิแล้วโอ้ทาใจสบายๆไม่มีคิดอะไรทําเล่นๆเดี๋ยวมันก็ได้ผลเองนะเพราะฉะนั้นน่ยมันก็เป็นแบบนั้นของมันเองนะถ้าเราแค่วางใจสบายๆทําเล่นๆทําสบายๆเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะนียมันก็คือเทคนิคพวกนี้นะเพราะนั้นก็คือก็สรุปประเด็นให้ฟังนะ ว่าเทคนิคหรวงเทียนเนี่ยก็มีอยู่หข้อก็คื อ, อวางกายคลายๆวางใจกลางๆไม่เพง่งไม่จ้องนะข้อที่2ก็คือรู้เฉยๆข้อที่สาไม่ห้ามความคิดนะข้อที่4ให้รู้ตอนนึ่ลูกโซ่ข้อที่5้าอย่าอยู่นิ่งและข้อที่6อยา่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเนี่ยถ้าเราเปฏิบัติได้ตามเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะพัฒนาที่มันจะจิตมันสามารถที่จะเนะข้าใจสภาวธรรมไปเรื่อยๆนะ ในที่สุดนะเมื่อมันเข้าถึงสภาวะธรรมแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวก็ไม่จาเป็นนะมันก็เราสามารถที่จะว่ายน้ําเป็นแล้วเนี่ย เ, เราก็ไม่ต้องใช้ห่วงยางไม่ต้องใช้เครื่องช่วยใดๆเราก็ว่ายน้ําเป็นโดยตัวเราเองก็คือเอมื่อจิตมันมีการเคลื่อนไหวมีการเข้าไปในอารมณ์ต่างๆเมื่อมีการกระเพื่อมมีการปรุงแต่งเราว็รู้ทันสภาวะที่มันจิตมันปรุงแต่งเหล่านั้นนะการเคลื่อ น, นของจิตเนี่ยจริงๆมันเคลื่อนตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันพระจิตเราเราหยาบนันเองนะ แต่ถ้จิตละเอียดเนี่ยเราจะเห็นโอ้มันเคลื่อนปั๊บ ป, ป๊ปเนี่ยเรามันเห็นชัดเลยนะแต่การที่จะเห็นความเคลื่อนมันต้องจิตตั้งมั่นด้วยนะต้องจิตตั้งมั่นพอสมควรมันก็จะเห็นการเคลื่อนได้เนี่ยการที่เราเห็นจิตที่มันเคลื่อนจิตที่มันเคลื่อนนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเราเราอยู่ในระดับที่สูงแล้วนะเราอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรแล้วเขาเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเป็นแล้วเนะี่ยปฏิบัติธรรมเป็นเพราะนั้นหลวงพ่เทียนบางทีจะมีผู้ที่กล่าวว่า กาว่าหลวงพ่อเทียเนี่ยบอก<ะ>ว่าเ อ, อผู้ที่เห็นว่าจิตไปคิดนะผู้นั้นก็ได้ต้นทาง่งการปฏิบัติแล้วนะรู้ว่าจิตไปคิดก็คือรู้ว่าจิตมันคิดนะไม่ต้องรู้ว่าคิดเรื่องอะไรนะี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ใดที่สา ม, มารถที่จะเข้ามาเห็นว่าจิตมันคิดไปแล้วเนาะเนี่ยก็คือเราได้ผลทางการปฏิบัติแล้วนะ่ะเราจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มเห็นในตัวในแล้วเนี่ยการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเลยนะ มันจะเลือกว่าไม่หยุดเลยนะเพราะมันจะเริ่มไปเห็นอารมณ์ต่างๆแล้วละ่ะอารมณ์ต่างๆความรักความชางังความมีชาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจความกุ้มใจทั้งหลายแล่เนี่ยเห็นมันทันทีเลยเมื่อเห็นแมันก็เกิดดับเกิดดับให้เราเห็นตอนหน้าต่อตาเลยเนยีมันก็เราก็ไม่เข้าไปในสิ่งอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเนี่ยเป็นขนทานที่จะออกจากความทุกข์ได้นะเพราะว่ายิ่งเราเห็นในพวกนี้บ่อยๆเนี่ยกิเลสเราจะลดลงไปเรื่อยๆนะ กิเลสมันลดเกิดจากการที่เราเห็นมันนะยิ่งเห็นบ่อยในกิเลสมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะมันจะอยู่ในใจเราไม่ได้หรอกนะมันก็เรามีห้างสะรพสินชาแห่งหนึ่งเนี่ยวันๆมีคนเข้ามาขโมยของทั้งวันเลยเราก็มีความทุกข์เออไม่รู้ใครมาขโมยนาะแต่เมื่อไรเราเห็นแล้วเออไอคนนี้มาขโมยนั่นเองพอมันเข้ามาปุ๊บเราก็คอยดูมันนะมันจะอยู่ในใจเราไม่ได้นหรอกมันก็ไปนะเราป้องกันได้เลยอยู่ไม่ได้นานนะ พอเราต้องฝึกเห็นมันบ่อยๆนะเนี่ยจิตเราจะค่อยๆละเอียดเราจะเห็นมันแบบบ๊บปั๊บแบบเข้ามาเลยนะแล้วมันก็เกิดมันก็ดับนะการที่เห็นสภาวะเกิดดับเนี่ยเป็นสิ่งเราต้องฝึกขึ้นมาการที่มันเกิดดับมันไม่ใช่อยู่ดีมันจะเห็นได้แต่เราต้องต้องฝึกขึ้นมานะโดยใส่การที่เราฝึกเห็นความคิดนี่แหละจะเห็นความคิดมันเกิดก ด, ดับดับไปเรื่อยๆนะวันๆหนึ่งเยอะๆเลยในสุดมันก็จะไปเห็นสภาวะธรรมอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดดับได้เองนะถ้าเห็นเกิดดับได้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเราเข้าถึง พรรไตยรักแล้วนะเห็นสภาพว่าที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยจิตมันจะค่อยๆไปวางไปวา ง, วางกิเลสทั้งหลายได้เองนะไปไปวางตัวตนของเราทั้งหลายได้เนี่ยเนี่ยเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะก็ขอทุกท่านนะถึงซึ่งความพ้นทุกขนะ์ในชาติปี น, นนี้ทุกท่านเทิด